มีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังค <coughs> ำพูดนับร้อยค <coughs> ที่ต้องการอื่นเอย <coughs> ไม่ว่าจะนานสักเท่าไรย <coughs> งยืนยันคำเดิ ม, ส ม, มเสมอมคเปลี่ยน ฉันรู้และเข้าใจองว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าฉันหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในใ จ, ใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ เมคยมีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้โอมากกว่านั้นยิ่งใีกันเลยกันมาแค่ไหนในเพียงคำว่าราักที่สองเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอแล ตลอดไปโ อ, โ, อโอ้แค่เธอกับฉัน<อ>และนับเจิดนี้ไปทุกเรื่องราวที่ได้ฟังคำพูดทุกเอย์คำ ที่เคยย้ำเตือนใจไม่ว่าจะไกลสักเท่าไรเพียงมีเธอคนดีอย่างนี้ไม่ไหวหวนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคาว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัว มีเธอที่รักข้าในที่ใจให้ฉันเก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ อ, นอเราจะรักกันนักจากนี้ผ่านความเดียวได้ยที่สองเรานั้นเคยมี เธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้ no. มากกว่านั้นมีกันไรกันมาแค่ไหนมีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจรับเพียงเธอและตลอดไปโอ้ oh. Oh. เธอกับฉันจนมีเพิย ง, งเศราต่อใจนี้แค่เธอกับฉัน